ที่ใดมีความทยานยากที่นั่นมีโส ที่ใดมีความทยานอยากที่นั่นมีภัยเมื่อไม่มีความทยานอยากเสียแล้วโศภัยก็ไม่มีพุทธววจนะ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 เมื่อกระทบอารมณ์ต่างๆเนี่คือเราสนใจแต่สิ่งข้างนอกบุตรใจเราก็เป็นทุกข์นะมีความโศกมีความเศร้าก็ลืมดูใจเรานำสงสานะใจเราเนี่ยเพราะฉะนั้น้าหากว่าเราดำเนินชีวิตของเราในแต่ละวันเนี่ยใช้ชีวิตแบบมีสติรู้ตัวอยู่เสมอๆจิตใจเราเนี่ยจะเป็นปกติ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 อยากได้อยากมีอยากเป็นเหมือนคนอื่นเขาอยากให้บุคคลภายนอกเนี่ยได้ยังใจเราอยากจะเปลี่ยนจิตใจเขาให้ได้อย่างใจเราอันนี้เป็นความที่หลนทยานอยากนะทุกข์เกิดขึ้นในใจเราแต่เราอาจจะมองไม่เห็นอาจจะเป็นความอยากน้อยๆเราจะมองไม่เห็นทุกข์มันก่อตัวละในจิตใจเราแต่ถ้าเราขาดสติ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 เพราะความยึดมั่นถือมั่นจะต้องเอาให้ได้จะต้องทำให้ได้จะต้องใครก็เชื่อเราให้ได้อะไรยงี้มันก็รุนแรงมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยไม่ใช่ความอยากธรรมดาแล้วเป็นความดิ้นรนที่ว่ายึดมั่นถือมั่นเป็นทั้งตันหาเป็นทั้งอุปาทานเลยจะเรา ก, ก็ผิดปกติเครียดเศร้ามองเนี่ยมันเป็นทุกข์ละในใจเรา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 มันจะเริ่อสติบ่อยๆขยันรู้สึกตัวบ่อยๆการขยันรู้เนี่ยต้องเรียกเป็นภาษาธรรมว่าเป็นการภาวนาก็ได้ขยันรู้สึกตัวบ่อยๆเหนืองๆอันนี้เป็นความเพียรการขยันรู้บ่อยๆเนี่ยเราจะเคยชินนะมันเป็นการสร้างความเคยชินแบบใหม่ที่จะรู้สึกตัวอยู่เสมอๆความเคยชินเนี่ยเมื่อมีขึ้นแล้วในจิตใจเราเนี่ย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 จิตใจก็ไม่ขึ้นขึ้นลงๆฟูฟแฟ บ, บแ บ, บตามอารมณ์เพราะฉะนั้นสมองเนี่ยสามารถผูกเรือให้ไม่ไหลขึ้นไหลลงตามนามได้ฉันใดสติก็เปลี่ยนเสมือนสมอชีวิตที่จะผูกจิตผูกใจไม่ให้ไหลไปตามอารมณ์ได้ฉันนั้น